m mm -hmm. สมัยพุทธกาลมีหมอคนหนึ่งที่เก่งมากนะอาจจ ะ, ะเรียกว่าเป็นหมอเทวดานะี่คือหมอชีวกะกวมารพัฒนคนที่สนใจแพทย์แผนไทยก็จะรู้จักหรือได้ยินกิจศั์ของหมอชีวกนะได้เป็นอย่างดีเพราะว่าท่านเป็นถืว่เป็นปรมาจรารย์ของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แบบโบราณ น, นะ ที่มาจากอินเดียท่า น, นเป็นหมอประจําตัวของพระพุทธเจ้าด้วยสมัยที่พระองค์อยู่เวลุวันใกล้กรุงราชครึกหมอชีวกนี้ก็ประวัติน่าสนใจนะที่น่าสนใจตอนนั้นคือตอนที่ท่านไปไปเรียนที่เมืองตา ก, กศิลาตา ก, กศิลานี้เข้าใจว่าอยู่ในเขตประเทศ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 แม้แต่พืชที่มีหนามมีพิษรวมทั้งอุตภิภิทด้วยนะอันนี้ใช้ทําเป็นยาได้ทั้งนั้นมีประโยชน์มันอยู่ที่ว่าจะใช้มันอย่างไรนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะพืชทั้งหลายนะที่จริงทุกอย่างเลยในโลกเนี้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยล้วนแต่มีคุณประโยชน์ทั้งนั้น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 เอาไปไว้ในสวนเนี่ยนะมันก็กลายเป็นปุ๋ยนะมีประโยชน์ที่จริงเนี่ยอุจจาระของเราเองเนี่ยแม้จะไม่เอาไปทาเป็นปุ๋ยเนี่ยแต่มันก็มีประโยชน์นะหมอเนี่ยเขาก็ใช้อุจจาระเนี่ยในการาวินิจฉัยโรคของเราได้ไม่ใช่เฉพาะหม อ, อแผนใหม่เท่านั้นนะที่เอาอุจจาระไปตรวจหา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 แต่ถ้าให้ดีเนี่ยมันไม่มมต้องมีศัตรูหรอกนะเราก็สามารถจะเอาบทเรียน เ, เอา Cross people, really right. ความร่มเฉลยเนี่ยมาเป็นเครื่อง like สอนใจสมานจิตให้เป็นอ uh ันหนึ่งอันเดียวกันเอาความทุกข์ความยากความลําบากเนี่ยมาเป็นเครื่องช่วยให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคนเราพอทุกข์ด้วยกันแล้วน่ะมันกลายเป็นเพื่อนทุกข์นะพอรู้สัวเป็นเพื่อนทุกข์แล้วจะรักกันอย่างไปปลูกป่าเมื่อวานเนี่ยเออถ้าลําบากด้วยกันนะมันก็จะรักกันมาก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 ทำคะแนนได้ดีสอบได้ดีขึ้นนะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ให้ทดลองสอบดูเพราะว่ากลุ่มที่สองเนี่ยทำคะแนนได้ดีและถึงเวลาสอบจริงๆเนี่ยนะไอ้กลุ่มที่กลุ่มที่สองเนี่ยที่ได้รับการบรรยายว่าความเคลีย์เป็นเรื่องธรรมดานะมันช่วยทามันอาจจะช่วยทำให้เราสอบได้ดีขึ้นเนี่ย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 ข้อแรกเนี่ยเราก็รู้นะว่าคือทุกข์แต่ว่าพระองค์ยังสอนต่อไปว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะทัางใช้คำเปริญญาก็คือรู้ให้ทั่วทุกข์เนี่ยถ้าไม่รู้นะก็เสร็จนะพาอจะเข้าไปเป็นทันทีเลยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบทุกข์เพราะเข้าไปเป็นทุกข์แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่ปล่อยใจให้เขาไปเป็นทุกข์นะให้ตั้งสติให้ดีให้มาเห็นมัน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 คนส่วนใหญนีนะนักปฏิบัติก็หนีหนีอะไรที่วุ่นวายนี้อะไรที่ทพลุกพล่านพอความเครียดเกิดขึ้นก็ห น, นีนะนักปฏิบัติจะกลายเป็นคนอ่อนแอได้นะเพราะว่าวางใจไม่ถูกเอาแต่หนีแต่พึ่ต่พือ น, นะต้องเข้าไปประชิญกับมันความเจ็บความปวดก็อย่าหนีลองดูสิว่าเออเราจะเห็นความปวดได้อย่างไรโดยไม่เป็นผู้ปวด